การบาเพ็ญจิตภาวนาคือการสร้างความสุขทางใจความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านาฏิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุข ที่เกิดจากความสงบของใจไม่มีการบำเพ็ญ่การบาเพ็ญจิตตภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสามถาภาวนาขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา ขั้นตอนที่หนึ่งคือสมถภาวนานี้เป็นการสร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้ชั่วคราวยังไม่เป็นความสุขที่ถาวรการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาขั้นที่สองนี้เป็นการสร้างความสุข ที่เกิดจากความสงบให้อยู่อย่างทาวรนขั้นที่สองนี้ต้องรอให้มีขั้นที่หนึ่งก่อนคือให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเมื่อมีแล้วก็ใช้ขั้นที่สองนี้มารักษาความสงบที่ เป็นความสงบชั่วคราวให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปขั้นแรกนี้จะได้ความสงบชั่วขณะที่จิตเข้าไปสู่ในสมาธิจิตรวมตัวยุติความคิดปรุงแต่งไว้ชั่วคราวอยู่ใน สมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิมีสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบแต่พอถอนออกมาจากสมาธิเจ็ดก็เริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถ้าไม่ระวั ง, งเผลอไป ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็จะมาทําลายความสงบที่ได้จากความสงบทำทำลายความสุขที่ได้จากความสงบทําให้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทดแทนความสุขที่ได้จากความสงบ ถ้าปล่อยให้ไปทำตามความอยากความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปและความสุขที่ได้จากความอยากก็จะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเวลาความสุขที่ได้จากความอยากนั้นหมดไป ก็อยากจะได้ความสุขใหม่ขึ้นมาอีกถ้าปล่อยให้ไปทางความอยากใจก็จะไม่สงบใจก็จะหิวจะอยากอยู่ตลอดเวลาถ้าใช้วิปัสสนาภาวนาคือหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้ใช้การเจริญปัญญาพิจารณา สิ่งต่างๆที่ใจหลงไปอยากให้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาความอยากก็จะ ขดไปเพราะไม่มีใครอยากจะไปเจอความทุกข์กันที่ไปก็คิดว่าจะไปเจอความสุขกันพอมองไม่เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวถ้าสอนใจว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็เป็นเวลาที่ความทุกข์จะปรากฏขึ้นมา เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาหมดไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้แม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องมีวันหมดไปมีวันจากเราไปเวลาพัดพากจากกันก็จะเป็นเวลาที่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมา นี่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการบำเพ็ญวิปัสนาภาวนาที่จะต้องบำเพ็ญต่อเนื่องจากสมถะภาวนาเวลาออกจากสมถะภาวนามาแล้วต้องใช้วิปัสนาภาวนาคอยประครับประคองคอยรักษาความสุขที่ได้จากความสงบด้วยการกำจัดความอยากต่างๆ ที่ส ม, มถภ า, าวนาไม่ได้ไม่สามารถที่จะกําจัดได้ส ม, มถภ า, าวนานี้เพียงแต่กดหรือทับความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเห็นทับหญ้าอยู่นี้หญ้าจะไม่สามารถงอกเลยเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่เวลา เอาหญ้าออกไปแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเมื่อได้น้ำได้อากาศหญ้าก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ชั้นใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเวลาจิตเข้าสู่ความสงบระงับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆความอยากต่างๆก็จา้าไม่ปรากฏ พราะความอยากนี้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดถึงอะไรก็จะไม่มีความอยากกับอะไรแต่ถ้าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นนก็จะเกิดความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีนี่คือหน้าที่ของสมาธิ หน้าที่หลักก็คือสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ผู้ปฏิบัติให้จิตใจได้พบได้เห็นว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้รับมาเช่นความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกปิก้งกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ อ, อยู่เบื้องหลังเวลาความสุขที่อยู่ด้านหน้าจางหายไปก็จะพบกับความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังทันทีเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลน้ำตาลนี่หวานแต่เป็นผิวบางๆที่เคลือบยาขมไว้พออมไปแท่ซักระยะหนึ่งน้ำตาล ก็จะจางหายไปพอน้ำตาลหมดไปรสหวานก็หมดไปมาสัมผัสกับยาที่เป็นรถขมก็พบกับความขมคืนขึ้นมานี่คือลักษณะของความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นความสุข ที่เคลือบความทุกข์เอาไว้พอความสุขจางไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเวลาได้ลาบก็มีความสุขเวลาเสื่อมลาบก็มีความทุกข์เวลาได้ยศก็มีความสุขเวลาเสื่อมยศก็มีความทุกข์เวลาได้สรรเสริญก็มีความสุขเวลาเสื่อมสรรเสริญ เวลาพบกับนินทาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาพบกับความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็จะมีความสุขพอเวลาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเสื่อมไปก็จะมีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเสมอนี่คือความสุขทางร่างกาย ที่เป็นความสุขที่เป็นความสุขปลอมเพราะมีความทุกข์ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เป็นความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ไม่ใช่เป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ เป็นความสุขทั้งแท่งทั้งดุนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้ายัางไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็จะไม่สามารถที่จะยุติการหาความสุขปลอมได้ ถึงแม้จะเป็นความสุขรอมก็ยังมีความสุขอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆพอให้มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานถึงแม้ว่าจะต้องรับกับความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปก็ไม่มีทางอื่นเลือกเพราะอยู่เฉยๆแบบไม่มีความสุขนั้นอยู่ไม่ได้แต่ถ้าได้ สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะมีความสุขทดแทนมีความสุขที่รองรับเวลาที่ไม่มีความสุขปลอมได้และก็จะสามารถเลิกหาความสุขปลอมได้จะหาแต่ความสุขแท้จริงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไ ด, ได้ความสุขที่สมบูรณ์ได้ถึงขีดที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือเรื่องของการบําเพ็ญจิตตะภาวนาขั้นที่หนึ่งก็สมถะภาวนาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบความสุขชั่วคราวแต่จะเป็นเหตุที่จะทำให้สามารถปล่อยวางหรือล้มเลิกการหาความสุขปลอมได้คือความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช้การเจริณ วิปัสสนาภาวนาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่จะรักษาความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี้ให้อยู่ต่อไปอย่างท้าวรอันนี้เป็นหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้จะเป็นผู้ที่จะทําลายความอยากต่างๆ ที่เป็นเหตุที่ทำให้ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นจางหายไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาจึงต้องเจริญปัญญาทันทีต้องพิจารณาไตรลักษณ์ทันทีโดยเฉพาะกับสิ่งที่ใจยังมีความอยากอยู่ใจยังอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ต้องพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นถ้ายังอยากในลาบยศสรรเสริญยังอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายทันที พิจารณาให้เห็นว่าเป็นความทุก์เวลาที่ความสุขนั้นจางหายไปได้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้คือไม่สามารถที่จะสั่งให้อยู่กับเราไปตลอดหรือห้ามไม่ให้เขาจากเราไปความสุขที่เราได้ทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจหมูกลิ้นกาย แต่เราเห็นว่าเขาต้องมีวันดับมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เจริญห้ามไม่ให้เสื่อมไม่ได้สั่งให้อยู่ไปตลอดสั่งให้เจริญไปตลอดไม่ได้ถ้าเห็นแล้วก็จะเห็นว่ามันจะต้องเป็นความทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเพราะใจจะไม่อยากให้มันเสื่อมนั่นเองความทุกข์ก็เกิดจากความอยากไม่ให้ความสุขที่ได้มานั้นเสื่อมไป แต่ความสุขที่ได้มานั้นมันจะต้องเสื่อมไปนี่คือการพิจารณาทางวิปัสสนาภาวนาเพื่อถอดถอนอารากเหง้าของตัณหาความอยากคือความหลงความที่ไม่เห็นว่าลาบยศรสนเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่ามันจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนี่คือเราต้องพยายามพิจารณาราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องพัดภาคจากเราไป ได้เห็นอย่างนี้มีปัญญาคอยสอนใจอยู่อย่างนี้ใจก็จะไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลเะเอาถ้าไม่พิจารณาพอออกมาคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลเถรภาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันที แล้วเมื่อเกิดความอยากก็จะดำเนินการตามความอยากทันทีอยากได้ลาบอยากได้เงินเพิ่มก็จะไปหามาทันทีอยากได้ยศอยากมีหน้นามีตาก็จะไปหามาทันทีอยากได้คนยกย่องสรรเสริญก็จะไปหามาทันทีอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพชนิดต่างๆก็จะไปหามาทันที ถ้าไม่มีปัญญาคอยคอยสกัดคอยกั้นเอาไว้นี่คือหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาจะทําหน้าที่ทันทีหลังจากที่ออกมาจากสมถะภาวนาพอเรานั่งสมาธิจนกระทั่งจิตสงบรวมแล้วตั้งอยู่ในสมาธิไปจนอิ่มตัวแล้วก็ถอนออกมา พอถอนออกมามาเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดไปในทางตายรักทันทีอย่าคิดไปในทางอาวิชชาโมหะถ้าคิดไปในทางอาวิชชาโมหะก็จะคิดว่าลาบยศสรเสรนนี้เป็นสุขรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะนี้เป็นสุขพอเห็นว่าเป็นสุขก็จะอยากได้ อยากได้แล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆอยากให้เป็นของเราไปนานๆพอเขาหมดไปพอเขาไม่ได้เป็นของเราพอเขาจากเราไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆได้อะไรมาแล้วพอมันหมดไปก็ต้องหามาันมาทดแทนอยู่เรื่อยๆ หามากี่หมื่นกี่ล้านกี่ครั้งก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอก็จะต้องหาไปเรื่อยๆหาไปจนกว่าร่างกายนี้จะไม่สามารถหามันได้หามันไปจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปมันก็ไม่หยุดหามันก็หาต่อด้วยการกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาสร้างลาบยศสรรเสริญมาสร้างความสุขทางตาหูตาจมกูกลิ้นกายต่อไปนี่คือวัตตจักรของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการที่ไม่ควบคุมไม่กำจัดตันหาความอยากต่างๆถึงแม้ว่าจะได้สมาธิแล้วก็ตาม ถ้าออกจากสมาธิแล้วไม่กำจัดตัณหาความอยากต่างๆจิตก็ยังจะต้องหมุนไปกับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหมุนไปกับความทุกข์ต่อไปจะสูญเสียความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิจะได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาแล้ว ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั้นก็จะจางหายไปแต่ถ้าไม่อยากจะให้มันจางหายไปไม่ให้มันหมดไปก็ต้องคอยกําจัดตัณหาความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้ามีปัญญาคอยกําจัดคอยสกัดอยู่เรื่อยๆต่อไปตัณหาต่างๆก็จะหมดไปเหมือนกับหญ้าที่หินทับเอาไว้ ถ้าไม่อยากให้เห็นถ้าไม่อยากให้หญ้น า, า, หานี้งอกขึ้นมาใหม่เวลายกหินขึ้นมาก็ต้องถอนรากของหญ้าออกไปเลยขุดรากถอนรากถอนโคนขุดลงไปในดินแล้วก็ดึงเอารากของต้นหญ้านั้นออกมาให้หมดพอรากของต้นหญ้าออกมาจากดินหมดแล้วต้นหญ้าก็จะตายไปอย่างถาวร จะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกเลยฉันใดตัณหาคือต้นยานี้ถ้าถูกถอนด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนาก็จะตายหายสาบสูญไปเลยรากของตัณหาความอยากนี้ก็คือโมหะความหลงเลือกอวิชชาความไม่รู้ความจริงของสภาวธรรมทั้งปวง ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามีความอยากกับลาบยศสละเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะก็ต้องพิจารณาให้เป็นอสุภะให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นความอยากในกามอารมณ์ อยากที่จะร่วมรับนอนกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อย่าไปมองแต่ส่วนที่สวยงามของร่างกายต้องมองมุมกลับมองมุมที่ใจเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเช่นมองมองร่างกายในขณะที่แก่หนังเหี่ยวยน่นผมขาวงอก หลังคอมหรือมองในขณะที่ร่างกายร่างกายได้กลายเป็นซากศพไปแล้วหรือมองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังของร่างกายมองดูอวัยวะที่ไม่น่าดูต่างๆที่มีอยู่ใต้ผิวหนังของร่างกายถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามแล้ว การอารมณ์คือราคะตัณหาหรือก็จะดับไปได้ถ้ามีอารมณ์กับเรื่องของร่างกายก็ต้องเจริญอสุภะต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆให้จดให้จำให้ติดตาติดใจเวลาที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะได้เอามาใช้ในการดับการอารมณ์ได้เหมือนกับการเตรียมน้ำ หรือเครื่องดับเพลิงเอาไว้เวลาที่เกิดไฟไหม้ถ้ามีเครื่องดับเพลิงอยู่ใกล้มือก็สามารถเอามาใช้ดับไฟได้ทันทีทันใดแต่ถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงไม่มีน้ำเตรียมเอาไว้ก็ต้องไปวิ่งหากว่าจะได้มาก็อาจจะไม่ทันการไฟก็จะไหม้บ้านหมดไปเส้ยก่อนการ เจริญวิปัสสนาจึงเป็นทั้งการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนและเป็นการใช้มันในขณะที่เกิดไฟที่เกิดตันหาขึ้นมาตอนที่ยังไม่เกิดตันหาก็พิจารณาเผื่อไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเช่นตอนออกจากสมาธิมายังไม่มีการอารมณ์ก็ให้พิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆก่อนหัดดูร่างกายในมุมที่ไม่น่าดูบ้าง หันมองไม่ใช่ดูบ้างให้ดูอยู่เรื่อยๆให้ดูอยู่ตลอดให้ดูจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมพอเวลาไปมองในมุมที่สวยจะได้แล้วก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ให้รีบหันกลับมา ม, ม, มองในมุมที่ไม่สวยไม่น่าดูถ้าดึงใจกลับมามองในมุมที่ไม่น่าดูไม่สวยได้ก็จะดับการอารมณ์ได้ แต่ต้องฝึกต้องพิจารณาไว้เรื่อยๆก่อนถ้าไม่เคยพิ จ, จารณาไม่เคยฝึกเลยพอไปมองในมุมที่สวยแล้วมันจะถอนออกมายากมันจะมองอยู่ในมุมที่สวยอย่างเดียวจะไม่ยอมมองในมุมที่ไม่สวยแล้วเมื่อไม่มองในมุมในมุมที่ไม่สวยก็จะต้องไปทาตามตันหาความอยากไปสร้างความทุกข์เพราะว่า เวลาได้ใครมาแล้วอยู่กับเขาไปไม่นานก็ต้องมีการพัดพากจากกันหรือมีวันที่จะต้องเบื่อขี้หน้ากันมีวันที่จะต้องมีการทะเลาะเบาแว้งกันก็จะเกิดความทุกข์ตามมานี่คือถ้ามีการอารมณ์แล้วต้องการกำจัดการอารมณ์ต้องใช้การพิจารณาอสุภะ เป็นเครื่องมือถ้าเกิดมีอารมณ์กับความกับการอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตพอคิดถึงอาหารปับ๊บก็เกิดความอยากน้ำลายไหลขึ้นมาต้องวิ่งไปหาอาหารที่อยากจะรับประทานมารับประทานโดยไม่คำนึงถึงเว ล, ลาเวลา ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะรักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลของนักบวชไม่ได้เพราะว่าถ้ารักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลของนักบวชแล้วจะไม่ต้องจะไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วได้แต่ถ้ายังมีความอยากอาหารอยู่ก็จะรักษาไม่ได้ก็จะต้องแหกศีลออกไปไปรับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่ก็คือการเจริญปัญญาหรือวิปะสะัปะสะนาภาวนาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความอยากต่างๆนี้จะมาเป็นตัวทำลายความสงบที่ได้จากการภาวนาส ม, มถาภาวนาจะเป็นตัวที่จะทำลายความสุขที่ได้จากความสงบ ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักขั้นตอนของการบําเพ็ญจิตภาวนาว่าแบ่งเป็นสองขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนนี้มีคุณลักษณะอย่างไรสมถาภาวนานี้ก็มีไว้เพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ให้เหลือแต่อุเบกขาและเหลือความสงบที่ เหลือความสุขที่เกิดจากความสงบการบำเพ็ญสมถะภาวนาจะได้เพียงเท่านี้จะไม่เกิดปัญญาหรือเกิดอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของสมถะภาวนาที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาหน้าที่ของสมถะภาวนาก็เพื่อทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้น ถ้าอยากจะได้ปัญญาอยากจะปกป้องรักษาความสุขที่ได้จากความสงบหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญาคือดูสภาพอาหารที่ไม่น่ารับประทานอย่าไปดูสภาพของอาหารที่น่ารับประทาน เช่นอาหารขณะที่อยู่ในจานถ้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานก็จะมีความอยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่เคี้ยวเคี้ยวที่ถูกบดถูกเคี้ยวด้วยฟันและผสมด้วยน้ำลายหรือขณะที่อยู่ในท้องหรือขณะที่ออกจากทวารมาถ้าเห็นสภาพของอาหารแบบนั้น ก็จะหยุดความอยากรับประทานอาหารได้หยุดตันหาความอยากในการรับประทานอาหารได้วิธีนี้ท่านเรียกว่าการพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลลสัญญาให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารความไม่ดูน่ารับประทานของอาหารถ้าดูอาหารที่อยู่ในจานนี้มันจะน่าดูน่ารับประทาน แต่ถ้าดูอาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากถ้าคายออกมาแล้วจะไม่อยากจะตักกลับเข้าไปจะกินไม่ลงหรือเวลาที่อาเจียนออกมาจากในท้องหรือถ่ายออกมาจากทวารหนักสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาหารเหมือนกันมาจากอาหารที่น่ารับประทานที่อยู่ในจานนี้เองแต่พอเข้าไปในร่างกายแล้วสภาพที่น่าดูน่าชมน่ารับประทานก็จะหายไป ถ้าอยากจะยุติความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาเวลายุติการรับประทานอาหารด้วยความอยากก็ต้องพิจารณาอาหารเีปฏกูลสัญญาอยู่เรื่อยๆรับประทานเพื่ออยู่รับประทานเพื่อร่างกายแต่อย่ารับประทานเพื่อความอยากเพราะมันจะเป็นโทษมันจะทําให้รับประทานแบบไม่อิ่มไม่พอ จนกระทั่งร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเปียนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะถ้ารับประทานอาหารมากจนเกินไปเวลาภาวนาก็จะง่วงเหงาหานอนจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้จะไม่อยากเดินจงกรม อยากจะหลับอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวหลังจากที่รับประทานอิ่มแล้วหนังท้องก็ตึงหนังตาก็หย่อนผู้ที่บำเพ็ญจึงต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถ้ายังง่วงนอนอยู่ก็ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะการรับประทานอาหารน้อยนี้จะทำให้ไม่อิ่มมากจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ถ้ายังม่วงเหงาหานอยก็ต้องลดมันไปเรื่อยๆจนถึงขั้นจะต้องงดเป็นวันไปก็มีเช่นวันนี้ไม่รับประทานหนึ่งวันไปเลยอย่างนี้ก็จะช่วยให้กำจัดความม่วงเหงาหานอนความเกลียดค้านได้จะทาให้มีกําลังที่จะมานั่งสมาธิมาทาใจให้สงบได้ถ้าไม่กำจัด ความง้องเหาหาวนอนความเกลียดคา้านนี้การบําเพ็ญก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้การพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการกําจัดความอยากในการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร แล้วความอยากจะรับประทานอาหารก็จะหายไปโดยเฉพาะเวลาที่อดอาหารหรือผ่อนอาหารความอยากรับประทานอาหารนี้มันจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาขึ้นมาต่อต้านต่อสู้มากาจัดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องยกธงขาวต้องถอยคอยบวชก็จะต้องขอลาสิกขาไป เคยถือศีลแปก็จะต้องคอยุติไว้ก่อนขอกับใบรักษาศีลห้าก่อนเพราะว่าสู้ความอยากรับประทานอาหารไม่ได้นั่นเองแล้วการภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะเป็นอันล้มเหลวไปจะไม่มีวันที่จะคืบหน้าได้ถ้าไม่สามารถผ่านความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตได้ นี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นผู้ได้ค้นพบขึ้นมาแล้วนําเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่อยากจะทิ้งความสุขปลอมความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไวออ้ต้อง นำเอาคำสอนนำวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่งสอนนี้นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติสมะถตภาวนาวิธีที่จะทําให้จิตสงบนั้นก็ต้องมีทำหรือมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทําให้ใจสงบนี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ รถยนต์เวลาวิ่งอยู่นี้ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดนี้จะต้องใช้เบรกต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกรถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดความคิดของใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กําลังวิ่งอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะให้หยุดความคิดนี้ถ้าเพียงแต่บอกว่าอยากจะให้หยุดหรือสั่งให้หยุดเฉยๆนี่มันจะไม่หยุด <c oughs> จะต้องเหยียบเบรกเบรกของใจก็คือสติ ถ้ามีสติคอยเยียบเบรกอยู่เรื่อยๆคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะหยุดลงไปได้วิธีที่จะมีสติขึ้นมาก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันมีพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบาิกรรมพุทโธพุทโธไปมีการละลึกถึงร่างกาย กายยกะตาสติก็เฝ้าดูเรื่องกายไปร่างกายกําลังเคลื่อนไหวกําลังยืนกําลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายที่กําลังทําอะไรอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นถ้ามีกายยกะตาสติหรือมีพุทธานุสติในขณะที่ ร่างกายมีการกระทำอะไรต่างๆใจก็จะสามารถควบคุมความคิดไวได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับขั้นให้หยุดนิ่งไปถ้าต้องการให้ความคิดหยุดนิ่งก็ต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็จเจริญพุทธานุสติต่อไปถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ใจจะสงบจะนิ่งได้นี้ร่างกายต้องนิ่งก่อนร่างกายต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าร่างยังถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการกระทำอะไรอยู่<อ>ก็เป็นเพราะว่าจิตเป็นผู้คอยควบคุมให้กระทำนั้นเองก็แสดงว่าจิตนี้ยังทำงานอยู่ยังคิดอยู่กับเรื่องของการเคลื่อนไหวคิดอยู่กับการกระทำงานของร่างกายอยู่ถ้ายังมีการทางานของจิตอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีสติคอยควบคุมก็จะควบคุมได้ไม่ไม่เต็มที่ควบคุมให้อยู่กับการคิดในการครวบคุมร่างกายได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำให้จิตนี้สงบนิ่งได้ถ้าอยากจะให้จิตสงบนิ่งไม่ทำงานทำการก็ต้องให้ร่างกายอยู่เฉยๆไม่ทาอะไรถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วจิตก็ไม่ต้องมาควบคุมร่างกาย ก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้านั่งแล้วใช้ ถ, ถ้าเวลาเดินเวลาทำอะไรใช้กายะกะตาสติเป็นสติเป็นผู้เป็นสติควบคุมเวลานั่งก็ใช้อนาปนานสติแทนอนาปนานสติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกนี่เอง ให้ดูว่าตอนนี้ลมหายใจกำลังอยู่ในส่วนไหนกำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกให้ดูไปเฉยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไป ไม่ต้องวิตกไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเหมือนกับขาดใจตายไปเวลาลมหายไปนี่เหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้าย<ๆ>ก็ให้รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปตกใจว่าเอ้เราไม่หายใจแล้วนี่เราตายหรือเปล่าไม่ตายถ้าตาบดามีสติรับรู้อยู่ประคับประคองอยู่ไม่มีวันตายให้รู้ไปเพราะเป็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบอย่าไปกังวลกับลมที่หายไป ให้อยู่กับจิตคือตัวรู้เท่านั้นให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการสมัธภาวนามีเพียงเท่านี้คือให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สงบให้เป็นอุบเบกขาให้สักแต่ว่ารู้แล้วให้อยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีกำลังไว้ต่อสู้กับตันหาความอยากจะมีกำลังไว้เจริญปัญญาเพื่อพเพื่อตัดความอยากต่างๆเพราะจิตถ้าไม่มีความสงบนี้จะไม่ยอมพิจารณาทางปัญญาผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณ า, าอสุภะพิจารณาอาหาร ي, ปฏิกูลสัญญาได้อย่างเป็นกอ่อเป็นกรรม ถ้าเป็นฝนก็เหมือนเราองฝนเท่านั้นเองหยดสองหยดก็หยุดแล้วไม่ได้เป็นฝนหาใหญ่ถ้าต้องการให้เป็นฝนหาใหญ่ถ้าต้องการให้การพิจารณานี้เป็นพิจารณาแบบมีน้ำหนักมีมีกำลังที่จะทำลายตันหาความอยากได้นี้ต้องมีความสงบก่อนถึงจะสามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรำ เพราะว่าถ้ายังไม่มีความสงบนี้ตัณหากิเลสนี้ยังมีกำลังมากจะต่อต้านการพิจารณาทางปัญญาทันทีเวลาพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ได้ดูก็ไม่อยากจะพิจารณาเช่นไม่อยากจะพิจารณาอาสุภะชอบพิจารณาสุภะชอบดูของสวยของงามพอจะให้มาดูของไม่สวยไม่งามนี้มันจะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันทีให้ชอบ คิดถึงความอยู่คิดถึงชีวิตอันยืนยาวนานพอมาคิดถึงความตายเท่านั้นจิตก็เศร้าหมองขึ้นมาซึมเศร้าขึ้นมาทันทียจะไม่ชอบพิ จ, จารณาเพราะจิตยังมีตันหาความอยากมีกําลังแรงมากที่จะมาสร้างอารมณ์หดหู่ให้กับใจทําให้ไม่อยากจะพิจารณาความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตา หรืออสุภะหรืออาหารีลปฏิกูลสัญญาต้องให้ใจสงบก่อนพอออกจากความสงบแล้วกิเลส ท, ที่ถูกสมาธิกดดันไว้ยังไม่มีกาลังเวลานั้นก็จะไม่มีกิเลสตัณหามาคอยขัดขวางมาคอยดึงให้ไปคิดในเรื่องของกิเลสตัณหาก็สามารถดึงไปคิดในเรื่องของธรรมได้ คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้คิดถึงอสุภะได้คิดถึงอาหาเลยปฏิกูลสัญญาได้ถ้าคิดอยู่บ่อยๆต่อไปก็จะไม่หลงไม่ลืมพอเห็นอะไรก็จะเห็นตายรักษณทันทีเห็นร่างกายก็จะเห็นอสุภะทันทีเห็นอาหารก็จะเห็นอาหาเลยปฏิกูลสัญญาทันทีถ้าเห็นแบบนี้แล้วตัณหาจะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้ หรือถ้าโผลขึ้นมาก็จะถูกกำจัดได้อย่างทันทีทันใดจะไม่ยืดเยื้อไม่ยาวเหยียดจะไม่นำไปสู่การกระทำตามตัณหาความอยากจะไม่นำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่แตอย่างใดเลยนี่คือประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมา ไม่ว่าจะอยู่ในอ area บทใด ย, ยังอยู่ในท่านั่งสมาธิอยู่ก็พิจารณาได้หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พิจารณาได้หรือในขณะที่ทำภารกิจอะไรต่างๆก็สามารถพิจารณาได้หมดตราบใดที่จิตไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วสามารถเจริญวิปัสสนาได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อันใดก็สามารถพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะ พิจารณาหาเลยปฏิกรูรสัญญาได้ไม่ต้องคือการพิจารณาปัญญานี้ไม่มีไม่มีขอบมีเขตยกเว้นเวลาเดียวที่พิจารณาไม่ได้ก็คือเวลาที่อยู่ในความสงบเท่านั้นเวลาอยู่ในความสงบอย่าไปพิจารณาเพราะจะไปทําลายความสงบความนิ่งของใจเราต้องการให้จิตสงบให้จิตนิ่งให้นานที่สุด พอสงบแล้วปุ๊บก็ไปพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นการทาลายจิตก็จะไม่มีกำลังเพราะออกมามันก็จะหิวโหวยขึ้นมาทันทีเพราะมันยังไม่อิ่มการอยู่ในสมาธิเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารของจิตเพื่อให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเมื่อจิตอิ่มพอแล้วจิตจะถอนออกมาเองแต่อย่าไปดึงออกมาพิจารณาพราถ้าจิตยังไม่อิ่มจะพิจารณาไม่ได้ พอยังหิวโหยอยู่พอดึงออกมาปั๊บคามมตานหาก็จะออกมาทันทีความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากอะไรต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนั้นเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปทําอะไรให้จิตให้สงบให้นิ่งไปนานๆเพราะเป็นเวลาที่เติมน้ํามันเติมพลังเติมอาหารให้แก่จิตใจนั่นเองเมื่อเติมพอแล้วเมื่อจิตใจได้ เต็มที่แล้วมันก็จะถอนออกมาเองเหมือนกับเวลาเติมน้ํามันที่ปั๊มเวลาเติมไปนี่เราก็ไม่หยุดเราปล่อยให้มันเติมไปจนกระทั่งมันเต็มถังปั๊บแล้วอตัวเครื่องเติมมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันถ้าเติมต่อไปมันก็จะต้อมันก็จะล้นออกมาเสียน้ํามันไปเปล่าๆฉันางใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเป็นการเติมน้ํามันเติมพลังให้แก่ใจ ถ้าอยู่ในสมาธิแล้วอย่าไปถอนออกมาถึงแม้ว่าจะมีภารกิจการงานเรื่องอะไรจะต้องทําก็ตามไม่มีอะไรสําคัญกว่าการให้จิตตั้งอยู่ในความสงบเดิมเสียทุกอย่างเรื่องที่จะต้องไปทําไม่สําคัญไม่สําคัญเท่ากับการรักษาความสงบของสมาธินี้ดังนั้นเวลาจะนั่งต้องรู้ไว้นุ่งหน้าก่อนว่าจะต้องไปทําอะไรหรือไม่ต้องทําอะไรถ้าต้องไปทําอะไรนั่งแล้วเดี๋ยวพอจะ พอสงบปั๊บก็จะออกไปก็ต้องดึงออกมาอย่างนี้เสียเวลาไปเป่าๆอุตส่าห์ดันมันเข้าไปถ้าเป็นแทบตายพอมันเข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้ก็อย่าไปดันมันเข้าไปดีกว่านี่คือเรื่องของสมัมมาทภาวนานี่ได้แค่นี้ได้แค่ความสงบได้ความนิ่งถ้าต้องการเห็นปัญญาถ้าต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ต้องใช้ปัญญา ถ้าต้องการเข้าสู่มรรคสี 4, ผลสี น, 1, นิพพานอย่างนี้ต้องเจริญวิปัสสนาต้องพิจารณาไตาละต้องพิจารณาอสุภะต้องพิจารณาอาหารเลปฏิกูลัสัญญากา ร, รการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคเมื่อเจริญได้เต็มที่แล้วหยุดตัณหาความอยากได้ก็เป็นผลขึ้นมาเวลาหยุดตัณหาความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะหายไปพอความทุกข์หายไป ก็เรียกว่าบรรลุแล้วนิโรธปรากฏขึ้นมาแล้วมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนนาคามีและขั้นอารหันต้องอาศาาัยการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหาเรปฏิกุณาสัญญาแล้วแต่ตัณหาตัวไหนจะโผลข่ขึ้นมาก็ต้องใช้อ่า ใช้ปัญญาตัวนั้นเป็นเครื่องดับถ้าอยากอาหารก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิปุระสัญญาถ้าอยากในการร่วมหลับนอนเสพกามกับผู้อื่นก็ต้องใช้อสุภะถ้าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตนไปนานๆก็ต้องพิจารณาอนิจจังถ้าอยากให้เป็นไปตามความอยากของเราเป็นไปตามคําสั่งของเราก็ต้องพิจารณาอนัตตานี่คือมรรคที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาในแต่ละขั้น มักผลจะเกิดต้องเกิดในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นในขั้นสมถะนี่ยังถือว่าเป็นขั้นโลกีะอยู่ยังเป็นขั้นที่ยังไม่หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่ายังไม่ได้ทําลายเหตุที่จะนําพาจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองก็คือตัณหาความอยากต่างๆเพียงแต่กดอันไว้ทับมันไว้เท่านั้นเองถ้าอยากจะ ทำลายการเวียนว่ายตายเกิดต้องทำลายเหตุที่ดึงจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือตันหาต่างๆดยการถอนรากถอนโคนของตันหาคือความหลงโมหะและอวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่ของเราไม่สวยไม่งาไม่น่าดูไม่น่ารับประทาน ต้องใช้ปัญญาต้องใช้วิปัสสนาภาวนาจึงสามารถที่จะถอดถอนเหตุที่จะดึงพาจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าถอนได้บางส่วนก็จะลดจํานวนภพชาติลงไปเช่นพระโสดาบันก็จะลดเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าพระสกิดาคามีก็ลดเหลือชิวชาติเดียวถ้าพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะไปถอดถอนตัณหาที่ละเอียดที่มีฝังอยู่ในจิตจนหมดไปก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเมื่อกลายเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา แต่ก่อนจะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ต้องมีส ม, มถาภาวนาเป็นผู้เบิกทางก่อนเป็นผู้สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไว้ก่อนแล้วใช้ปัญญารักษามันไว้ใช้ปัญญาทาลายศัตรูของความสงบเคยตันหาความอยากต่างๆพอทาลายหมดไปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไป ความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะหมดไปเมื่อหมดไปแล้วก็จะกลายเป็นนิพพานังปรมังสุขขังขึ้นมามีแต่บร ม, มสุขอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาทำไม่ได้ต้องวิปัสสนาภาวนายิางของฝากเรื่องของการเจริญจิตตภาวนา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 ราโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีริตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโสุขังภละ ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาคาถามอยากจะถามข อ, อการาบกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาอีกต่อไปเพราะจะได้พักผ่อนบ้างเพราะฉะนั้นก็จะยืดยาวไปเรื่อยๆ เ, เวลาให้ถามก็ไม่ถาม เวลาไม่ให้ถามก็จะมาถามยังไม่ต้องอายอใครอยากจะถามอะไรถามไปไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นใครถ้าไม่บอกชื่อบอกนามสกุลไม่มีใครเขารู้กลับน้ำสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากถามว่าอย่างที่ปู่ย่าตายายท่านเสียมานานแล้วอะค่ะแล้วหนูก็ใช้นางของท่านทาบุญ หนอยากทราบว่าท่านจะรับรู้ได้ไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าท่านจะมารอรับหรือเปล่าถ้าท่านไปตามทางของท่านแล้วท่านก็ไม่รับรู้เลยถ้าท่านคิดถึงแล้วท่านส่งถ้าท่านมามามาส่งกระแสจิตมาหาเราแล้วท่านก็จะรับรู้ได้ถ้าท่านไม่ส่งมาก็ท่านแสดงว่าท่านก็ไม่รับรู้อะไรแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่า หนูอยากทราบ ว, ว่าขณะที่ทําสมาธิมีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเราจิตสงบเราทําไม่ถูกทางแต่ถ้าเกิดเราเกิดความวุ่นวายในใจฟุ้งซ่าหนหงุดหงิดรำคาญอันนั้นเราทําถูกทางแล้วหนูก็เลยสงสัยว่าตกลงตัวไหนที่ถูกและไม่ถูกเจ้าคะ่ะทําการทําก็เพื่อให้จิตมันสงบ ฟุ้งซ่านก็ต้องทําให้มันสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงบก็ต้องทําให้มันสงบอย่างตอนนี้ไม่ฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงบก็ต้องทําให้มันสงบมันถึงจะมีความสุขอถ้าไม่ทําให้มันสงบเดี๋ยวความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะ อ, อวุ่นวายกับการไปทําตามความอยากยานันเราไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นใครชื่ออะไรแล้ว แต่ฟังแล้วก็ฟังแล้วมันมันขัดกันกับที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าสอนให้ทำความสงบให้นั่งสมาธิให้เจริญสติก็ต้องไปถามท่านว่าท่านไปขัดข้านพระพุทธเจ้า้วยเหตุใดก็<ม>ให้นั่งสมาธิเพื่อความสงบเมื่อออกจากความสงบจิตฟุ้งซ่านก็ให้ใช้ปัญญา พิจารณาระ ง, งับหรือใช้สติระ ง, งับถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติระ ง, งับไปก่อนทําจิตให้สงบไปก่อนออมันก็ต้องทําจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องทําให้สงบท่านพูดว่าตอนที่จิตสงบแล้วใช่ไหมประมาณว่ามีน้องคนหนึ่งเขามาบวชถือศีลอยู่ที่วัดแล้วก็เขาลาออกจากงานเจ้าค่ะว่า เขาเบื่อทางโลกเบื่อภาระที่ต้องรับผิด ช, ชอบก็เลยอยากมาบวชพอมาบวชแล้วก็มีความรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วรู้สึกอึดอัดพอมาอยู่วัดจริงๆรู้สึกอึดอัดอยากจะออกข้างนอกท่านก็เลยถามว่าอึดอัดโดยเหตุใดเพราะว่าเ ข, เขาบอกว่าคิดว่ามาปฏิบัติแล้วจะสงบนิ่งก็เลยอยากจะออกก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าออกไปแล้วก็จะไปทําอะไรไปทํางานเพื่อเลี้ยงกายมันก็กลับไปสู่โลกเดิมๆแต่ทีเนี้ยการที่ ท่านบอกว่าถ้าอยู่แล้วคุณนิ่งคุณสงบอันนั้นก็คือคุณผิดปกติแต่ถ้าคุณอยู่แล้วอึดอัดรู้สึกไม่อยากจะอยู่อยากจะออกไปอันนั้นแหละคะ่ะก็คือว่าเป็นการที่เรารู้ว่าจิตของเรามันซัดสายที่ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วหนูก็เลยฟังแล้วหนูก็เลยงงอะคะ่ะถูกยังไงถูกว่าเพราะว่าถูกฝึกให้สงบแล้วมันไม่อยากสงบมันอยากจะออก หนูก็เข้าใจว่าตอนแรกการทําสมาธิก็คือต้องการให้สงบเพื่อที่เราอยากจะอยู่กับความสงบแล้วก็พัฒนาจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านหนูก็เข้าใจแบบนั้นนะเจ้าค่ะแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องไม่ถูกอะถ้าอยากจะอยู่ความสงบไม่ถูกอ่ะเจ้าค่ะเขาบอกต้องอยู่กับความฟุ้งซ่านทัง้งยันอั้งยันถเขาบอ ก, กว่าจิตพอพอมันอยู่กับความสงบเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมันจะไม่ใช่ หนูก็เลยงงหนูก็เลยสงสัยถึงได้มาถามพ่ออาจารย์วันเนี้ยอยู่กับความสงบไม่ใช่ต้องอยู่กับความวุ่นวายถึงจะใชะ่พอใจมันรู้สึกว่าสงบแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันถ้ามันสงบมันไม่อึดอัดหรอกที่มันไม่สงบมันถึงอึดอัดอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าสงบแล้วมันไม่อึดอัดมันจะสบายเหมือนได้ถ่ายแล้วอย่างนี้ย ถ่ายแล้วก็สบายค่ะหนูหนูก็คิดอย่างนั้นอยู่ถ่ายกิเลสแล้วมันก็สบายค่ะแต่ถ้ากิเลสมันยังอยู่มันก็อึดอัดต้องพยายามถ่ายมันออกไปมันถ่ายกิเลสออกไปมันถึงจะสงบนะคะสาธุเจ้าค่ะเข้าใจอ่ะการนมัสการพระอาจารย์คะคืออยากถาม อ, อาจารย์ว่าถ้าเราอยู่ในทางโลกเนี่ยเราจะมาเรา ปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็คือมันยังมีสมุทไทยอยู่ค่ะคือเพราะตามที่อาชีพเราหรือว่าสถานที่ที่เราอยู่มันทำให้เราปฏิบัติได้ค่ะทุกสถานที่แต่ว่าพอเราออกมาทำงานออกมาทำหน้าที่ของเราทางโลกเราก็มีอะไรมาก่อกวนกิเลส ท, ทำให้เราจิตเรามันแตกจากที่ปฏิบัติธรรมมันช่วยได้เยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าเราจะอยู่ทางโลกต่อไป เราจะมีทางถึงนิพพานได้ัหมคะพระอาารย์เพราะว่านิพพานนี่มันต้องก็เหมือนที่พราะอ า, าอวุโสสอนนะคะคื อ, อมันต้องต้องต้องต้อ ง, องหาที่เหมือนวิเวกค่แล้วก็ทำใจให้เราสงบตัดลากตัดกิเลสค่<อ>เพราะว่าคือพิจารณากายใจของเราพิจารณาในตัวเราคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในคะ่ะกิเลสถ้าเราตัดเรารู้ตัวเรามีสติเรา สติปฐานเสียค่ะพระอาจารย์กายวัฒนาจิตธรรมและเราพิจารณาอสุภสะในการที่จะตัดราคะหรือว่าพิจารณาคือว่าคนเรามั น, ม น, มนทุกสรรพสัตว์ค่ะมันเป็นไตรลักษณ์มีเกิดมีเกิมีเจ็บมีตายมันมีต้องการถาม อ, อะไระถามอะไรถามอะไรกั น, นกต้องการถามอะไคโอเคค่ ะ, ะคือถ้าเราถ้าเรายังอยู่ทางโลกท่านพระอาจารย์คิดว่าเราสามารถที่จะปฏดบัติได้จะ จะถึงทางนิพพานได้ไหมคะพระอาจารย์แล้วอีกอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาข้อาทีละข้อหนึ่งเดี๋ยวจําข้อข้อหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวถามข้อสองเดี๋ยวก็ลืมข้อหนึ่งถ้าอยู่ทางโลกหมายความว่ายังไปทางโลกอยู่ยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่อาแล้วมันจะไปฟันนิพพานได้ไงมันเป็นคนละทางกันทางนิพพานมันก็ต้องไม่หาความสุขทางอาถ้าไม่ตัดแล้วมันจะไปได้อย่างไง เหมือนอยากจะไปเชียงใหม่แต่ยังอยากจะอยู่กรุงเทพอยู่นี่มันจะไปถึงเชียงใหม่ได้ไงอา่ามีก็มีไปสิมันคุณไม่ได้มาถามเราเรื่องภาระ่ะแล้วคุณถามว่าเรื่องอยู่ทางโลกอยู่ทางโลกจะไปไปนิพพานได้ไมัม้ยก็ไปไม่ได้แล้วคุณอยากจะไปคุณก็ต้องตัดภาระ่ะคุณต้องออกเดินทางอยากจะไปเชียงใหม่ก็ต้องออกเดินทางไปจะบอกว่าอยากจะไปเชียงใหม่แต่มีภาระอยู่ที่กรุงเทพ มันก็ไปไม่ถึงเชียงใหม่ก็เท่านั้นเองถึงพมั น, ม, นมันเหมือนที่พระอาจารย์พูดมันเป็นมีพระสุดาบันพระสกิทาคาอะไรเนี้ค่ะอนาคามีพระอาหารหันต์คือถ้าเรามีหิริอตุตตะปะคือเราคือเรามีสติตัวรู้ใหญ่ตัวว่าเราทําอะไรอยู่ค่ะแล้ว เ, เราถือสินห้านี่เราก็คือเราปฏิบัติเราอยู่ยทางโลกเราสื่อสินห้าสินห้านี่ก็คิดว่ามันก็คงจะคือได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ศีลหน้าก็ได้ศีลหน้าคนี่ยมันก็ไม่ได้ศีลแปดนะไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาอถ้าไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญามันก็มันไม่ได้มรรคผลมรรคผลมันจะต้องเกิดจากการมีมีปัญญามีวิปัสสนาแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะท่านพระอาจารย์คือเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วจะปวดประมาณบังขีปวดอยตลอดนะคะทำไมพคุณหมพระอาจารย์คะคือ อีกข้อหนึ่งเวลาคือนั่งนั่งสมาธิอะค่ะเวลาออกจากสมาธิแม่เดินจงกรมนั่งสมาธิจะจะมีอาการที่ปวดตรงหว่างคิว้วอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบยุบเข้ายุบออกค่ะอาจารย์พระอาจารย์จะเป็นตลอดเลยมันมันเกิดจากอะไรคะก่อนนมัสการเป็นตอนไหนเป็นตอนไหนเป็นตอนไหนเป็นเป็นตลอดค่ะถึงไม่ไม่ไม่ไมทํางานอยู่หรือทําอะไรอยู่ก็จะเป็นค่ะก็ไปถามหมออะไรอย่างนั้น เพราะว่าแต่ก่อนยังไม่ไม่ไม่นั่งสมาธิมันไม่เป็นนะคะแล้วก่อนที่อะไรไม่เคยมันมันไม่เกี่ยวกันหรอกจะนั่งสมาธิไม่สมาธิมันก็ปวดท้องได้ปวดหัวได้เป็นไข้หวัดได้เป็นประมาณหลานคิ้วอะค่ะมันก็ไปถามหมอดูแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิอย่างเดียวถ้ามันเป็นตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องของสมาธิแล้วคระค่ะนัสเกิร์นพระอาจารย์ คำถามจากทางบ้านจากคุณภาวนาพระอาหารหันต์ท่านนั่งนานๆท่านก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพื่อบันเท า, ทาธาตขันเปรียบเทียบกับปูถทูชนเมื่อนั่งนานๆก็มีการขยับเพราะปวดเมื่อยเช่นกันดังนั้นพระอาหารหันต์กับปูุ่ชนธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเจอทุกขเวทนาและต่างก็ต้องขยับเปลี่ยน เปลี่ยนอิดิยาบทเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดขึ้นมาค่ะ อ, อ๋อพระอรหันต์ท่านจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ใจท่านไม่ทุกข์กับมันถึงแม้จะเจ็บจะปวดท่านก็นั่งอยู่กับมันได้แต่ท่านถ้าท่านเห็นว่าไม่มีความจาเป็นจะต้องอยู่กับมันท่านก็ขยับไปตามออตามความเหมาะสมสำหรับร่างกายแต่ใจของท่านนี้อยู่กับทุกขเวทนาก็ได้อยู่กับไม่มีทุกขเวทนาก็ได้ แต่ใจปุถุชนนี้เวลาเจอทุกขเวทนานี้จะอยู่ไม่ได้จะทุกขขึ้นมาทันทีจะต้องดิ้นต้องหาทางหนีจากมันทันทีแต่พระลานี้ท่านไม่ดิ้นท่านไม่ไม่ไม่หาทางหนีจากมันถ้ามันถ้ามันเห็นว่ามันหนีไม่ได้ท่านก็อยู่กับมันไปได้เช่นเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้รัวไงก็หนีไม่ได้ใจท่านก็ไม่ทุกขกับมัน แต่ปุจจของปุถุชนนี้มันจะทุกข์กับกับความเจ็บของร่างกายเพราะหนีไม่ได้ขยับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็เลยมีความทุกข์กับมันแต่พระนนี่จะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายแต่ท่านก็ต้องขยับไปเพื่อประครับประคองอร่างกายให้มันอยู่ไปเพื่อจะได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สำหรับตัวท่านเองนี้ถ้าไม่มีปัญหาร่างกายจะตายเมื่อไหร่ก็ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลแต่ที่ท่านยังต้องดูแลร่างกายไปก็เพื่อใช้เอาร่างกายนี้มาใช้ประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ประคับประคองร่างกายถึงอายุแปดสิบปีทั้งทั้งที่ท่านท่านตัดสั้นในอายุสามสิบห้าปี ท่านก็ยังประคับประคองร่างกายไว้ต่อไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาเผยแผ่ธรรมะดูปริมาณของพระอาหารหันต์ที่เกิดจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประคับประคองธาตุขันนั่งอยู่ในเรอบัดนั่งอยู่ในอรยีอ ย, รยบดเดียวไม่กินข้าวไม่ทำอะไรอยู่ไปไม่กี่วันก็ต้องตายไป ตายไปแล้วก็ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะไม่มีพระอาหารหันต์เป็นสาวกขึ้นมาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประคับประคองธาตุขันธดูแลธาตุขันก็เพื่อที่จะได้ใช้ธาตุขันนี้มาใช้ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกเท่า น, นั้นไม่ได้ทาเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองเพราะว่า ประโยชของพระ อ, องค์นั้นพระ อ, องค์ได้เต็มที่แล้วจิตของพระ อ, องค์มีปาลมังสุขขังแล้วมีบรลมัสุขตลอดเวลาแล้วไม่ว่าร่างกายจะเจ็บหรือจะตายก็ไม่สามารถที่จะม า, าทําลายความบรลมัสุขที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าได้แตการที่พระพุทธเจ้ายังขยับยังประคับประคองร่างกาย ยังกินยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บอยู่ก็เพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้มามาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกเพื่อสัตว์โลกจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันคำถามจากคุณวรัญญาคนที่หลอกลวงคดโกงผู้อื่นที่บริสุทธิ์มาทำบุญแล้วยกย่องตัวเองว่าฉลาดมากๆ ฉลาดเหนือคนอื่นแม้กระทั่งคุณพระคุณเจ้าทําบุญใจไม่บริสุทธิ์ทําบุญเอาหน้าเขาจะได้บาปมากกว่าบุญหรือเปล่าคะทั้งๆที่เขาก็รู้ว่าคนที่เขาโกงมาต้องเดือดร้อนมากเพียงใดคืบุญกับบาปนี่มันเป็นการทำสองสองส่วนแยกกันทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาป นั้นมันการทําบาปไม่ได้ไปลบล้างบุญที่เราทําหรือการทําบุญก็ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่เราทําทําบาปก็ต้องรับผลของบาปที่เราทําทําบุญก็ต้องได้รับผลของบุญที่เราทําคําถามจากคุณกันนิกาโอกาสถือศีลแปดเดือนหนึ่งก็สักประมาณห้าวันเองค่ะแล้วคาววาอย่างโยมจะทําสมาธิได้ถึงอัปนาไหมคะ อย่างนี้โยมก็ยากที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมคะเรื่องของการทําจิตให้สงบเนี่ยมันแต่ละคนอาจจะมีบุญเก่ามาม า, มากน้อยต่างกันบางคนมีบุญเก่ามาม า, มากเคยฝึกสมาธิมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคารวะและอาจจะไม่ได้ถือศีลแปดเสียด้ซ้ําไปแต่ก็สามารถที่จะทําจิตให้เข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาได้ อันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญเก่าในอดีตชาติถ้าเคยทําจิตให้สงบเป็นมาเกิดชาตินี้ก็ทําจิตให้สงบเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การรักษาศีลแปดเพียงอย่างเดียวสําหรับคนที่ไม่มีบุญเก่าไม่เคยรักษาศีลแปดมาก่อนไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนนี่ก็จะต้องมาฝึกนั่งถือศีลแปดกันมาฝึกนั่งสมาธิกันะ นี้จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ า, าทํามากหรือทําน้อยทําถูกหรือทําไม่ถูกถ้าทําถูกแล้วทามากมันก็ต้องได้เร็วถ้าทําไม่ถูกแล้วทาน้อยมันก็จะไม่ได้ผลมันอยู่ที่การกระทาคนที่เคยทํามาแล้วรู้จักวิธีทาถูกแล้วพอมาเกิดชาตินี้ยังไม่ต้องไป อ, อยู่วัดไม่ต้องไปถือศีลแปด ก็สามารถทำจิตให้สงบได้แต่การทำจิตให้สงบได้นี้ก็แสดงว่าจิตเขาก็มีศีลอยู่แล้วมีศีลแปดอยู่แล้วเพอะถ้าเขายังไม่มีเขาก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิคนที่ไม่มีศีลแปดเขาก็จะมีแต่ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิแต่คนที่ไม่ไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆ ก็นั่งสมาธิทาใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องไปขอสินแปดหรือไม่ต้องไปตั้งสินต้องไม่ต้องไปถือศินแปดแต่ความจริงมีอยู่ในตัวแล้วมีโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเพราะว่าเขาไม่ชอบเที่ยวเขาไม่ชอบกินไม่ชอบดื่มเขาชอบนั่งสมาธิเขาก็มีของเขาอยู่แล้วคำถามจากคุณธีรศักดิ์ จากหัวข้อพระคุณของบิดามันดาผมจับใจความได้ว่าหน้าที่ของลูกคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ห้ามเถียงเวลาพ่อแม่สั่งสอนฟังแล้วเอาไปพิจารณาถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องทำตามการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดไปได้ทำด้วยการสอนหรือบอกทางให้เป็นอริยะบุคคล ตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำหรือมีความเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักธรรมหรือมีทางอื่นที่ควรทำหรือมีความเห็นให้เป็นไปตามหลักธรรมแล้วเราแสดงความเห็นต่างหรือบางครั้งเรานำคำพูดตามหลักธรรมมาบอก ซึ่งอาจเรียกว่าสอนก็ได้นั้นแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยและบอกว่าท่านรู้เรื่องหลักธรรมดีกว่าเราไม่ต้องเอาธรรมะมาสอนท่านผู้เป็นลูกควรทำอย่างไรระหว่างข้อหนึ่ง ปล่อยให้พ่อแม่ทำหรือมีความเห็นตามที่ท่านมีอยู่ต่อไปงดหรือลดความเห็นแย้งของเราต่อการกระทาหรือความเห็นของท่านเพื่อไม่ให้ท่านไม่พอใจหรือสองยังคงแสดงความเห็นแย้งของเราต่อการกระทาหรือความเห็นของพ่อแม่ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมด้วยจิตที่ปรารถนาให้ท่านพ้นทุกข์แม้ว่าการพูดนั้นในที่สุดจะทาให้ท่านไม่พอใจ หรือสาลูกควรทำอย่างไรถึงจะเป็นทางที่เหมาะสมให้ลูกได้ตอบแทนคุณพ่อแม่และไม่เป็นการอากตันยูทำให้พ่อแม่ไม่พอใจในเมื่อลูกยังเป็นคลาวาสยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุขอพระอาจารย์เมตตาตอบคำถามให้ด้วยครับก็ทำในสิ่งที่พ่อแม่พอใจเลถ้าพ่อแม่เขาไม่พอใจกับการสั่งสอนของเราแล้วก็อย่าไปสั่งสอน ซึ่งความจริงมันก็ผิดอยู่แล้วการไปสั่งสอนพ่อแม่ถ้าอยากจะสอนพ่อแม่ต้องให้พ่อแม่ขอเราก่อนขอให้เราสอนก่อนเราถึงจะสอนได้ถ้าพ่อแม่ไม่ถามไม่ขอให้เราสอนก็อย่าไปเสือกอย่าไปสอนแม่ใช่หน้าที่ของเราออย่าไปทําให้พ่อแม่เสียใจทําให้พ่อแม่มีความสุขใจแต่ก็ต้อง อยู่ในกรอบของความถูกต้องคือศีลธรรมและกฎหมายไม่ใช่ไปทําผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเพื่อให้พ่อแม่พอใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าจะทําก็ทําให้พ่อแม่มีความสุขมีความพอใจแต่ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเช่นรับใช้พ่อแม่สิพ่อแม่อยากจะได้อะไรก็รับใช้ไปทําให้ชอบทําตัวเป็นคนสั่งคนสอนพ่อแม่ ทำไมไม่ชอบทําเป็นคนรับใช้พ่อแม่คนเราเวลาคนอื่นก็สั่งสอนเราไม่คิดบ้างเขาเป็นยังไงเวลาคนอื่นสั่งสอนเราเราก็ไม่พอใจถ้าเราไม่ต้องการให้เขาสอนเราแต่เวลาคนอื่นรับใช้เราเรารู้สึกยังไงเราชอบไหมอันนี้ก็ลังคิดแบบนี้เราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นให้กับพ่อแม่ เราชอบให้คนเขารับใช้เราดูแลเราเราก็ทําให้กับพ่อแม่อย่างนั้นรับใช้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ไปเราไม่ชอบให้คนอื่นมาสั่งมาสอนเราเราก็อย่าไปสั่งสอนพ่อแม่นอกจากท่านขอให้เราสั่งสอนคําถามจากคุณพินิษเมื่อรับผสสาษสะทางอายตนะแล้วรู้สึกว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเฉพาะกิเลสที่รุนแรงเท่านั้น ที่เกิดจนทําให้รู้สึกว่าเกิดขึ้นที่กลางอกนอกนั้นเมื่อผัสผสะกระทบก็มีแค่อาการรู้แต่ไม่เกิดอาการว่ามีกิเลสเกิดขึ้นที่กลางอกหรือบางทีเมื่อผัสสะกระทบแล้วเผลอไปเลยก็มีมารู้ทีหลังว่าเผลอไปแล้วคือแบบนี้ผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับก็ปฏิบัติขั้นหนึ่งถูกก็คือรู้ว่ากิเลสเกิดหรือกิเลสไม่เกิด ขั้นที่สองควรจะทําก็คือถ้ามันเกิดก็ต้องใช้ปัญญาตัดมันทําลายมันไปเพื่อมันจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้ารู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่ได้กิเลสมันจะไม่ตายจากการรู้เฉยๆกิเลสจะตายต่อเมื่อเราทําลายมันด้วยปัญญาคําถามจากคุณตวงพรหมาที่บ้านเขามีเหตบเยอะมากๆ ถ้าใส่ยาที่ทำให้เห็บตายจะมีผลกรรมอย่างไรคะและหากพาไปทำหมันจะมีผลกรรมอย่างไรบ้างคะก่าเห็บก็เป็นปานาติบาตเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่วนการทำหมันนี่ไม่เป็นการทำบาปนะเพราะไม่ได้ฆ่าหมาเพียงแต่ป้องกันไม่ให้หมานี้ไปนะผลิตลูกเต้าขึ้นมาคำถามจากคุณชานี การทำสมาธิใช้แบบอาณาปานสติร่วมกับพุโทโธและนับเลขไปด้วยรู้สึกใจสงบอยู่กับการทำสามอย่างพร้อมๆกันแต่ทำได้ไม่นานประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีกาเรียนถามผ้อาจารย์ว่าวิธีการที่จะอยู่แบบใจสงบนานๆทำอย่างไรคะพอนับเลขถึงศูนย์แล้วภาวนาพุโทโธอย่างเดียวเหมือนใจไม่นิ่งไม่สงบค่ะ เหมือนว่าต้องนับเลขด้วยตลอดค่ะก็ต้องหมั่นทำอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นควรจะทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยในช่วงไหนที่สามารถเจริญสติได้ก็ให้เจริญไปเรื่อย เ, อยเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ปรอยกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่องนับเลขไปก็ได้แต่ถ้าเวลาที่ต้องใช้ความคิด ก็หยุดนับเลขหยุดบริกรรมพุทโธไว้ชั่วคราวเช่นเวลาทํางานต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานการที่ต้องทําตอนนั้นก็ใช้การมีสติอยู่กับความคิดในการทํางานไปแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องคิดก็หยุดความคิดแล้วก็บริกรรมพุทโธไปหรือนับเลขไปจนกว่าจะถึงเวลามานั่งสมาธิถ้าทําอย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะนั่งได้นาน คำถามจากคุณธรรมดาผมพิจารณาดูความสกโปกของร่างกายนี้จับร่างกายแต่ละส่วนขึ้นมาดูว่ามันสะอาดหรือโสกโปกไล่กลับไปกลับมาในแต่ละส่วนผลก็คือทุกๆส่วนในร่างกายนี้สกโปกทั้งนั้นผมพิจารณาอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมาไม่ได้คำตอบว่าจะมีส่วนใดในกายนี้สะอาดเลย ผลปรากฏว่าเกิดอาการสะอิดสะเอียนขึ้นมาทั้งขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธิผมก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆอาการสะอิดสะเอียนยิ่งชัดขึ้นเป็นมากขึ้นจนผมต้องกลั้นไว้กลั้นไว้จนน้ำตาเล็ดมันจะอาเจียนออกมาขนาดนั้นให้ได้ผมจึงหยุดพิจารณาเพราะเกรงว่าจะต้องอาเจียนรถทางเดินจงกรมแน่ๆผมควรแก้ไขหรือไม่อย่างไรครับ คือการพิจารณาความสกรปรกหรือความไม่สวยงามของร่างกายนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การระงับกามารมณ์ความอยากที่จะเสพกามกับผู้อื่นเพรนั้นเวลาที่มันยังไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่ต้องพิจารณาที่พิจารณาก็เพื่อให้เตรียมการไว้ก่อนถ้ามันพิจารณาถึงขั้นอาเจียนก็แสดงว่ากินยามากเกินไปก็หยุดพิจารณาไว้ชั่วคราว แล้วการพิจารณาก็ไม่ควรพิจารณาร่างกายของเราเพียงส่วนเดียวเพราะว่าเวลาเราเกิดการอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดการอารมณ์จากร่างกายของเราแต่เกิดการอารมณ์จากร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามด้วยฉะนั้นเราต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามไม่ใช่พิจารณาที่ร่างกายของเราผิดเป้าแล้วก็พิจารณาไม่เหมาะกับกาลเทศะ ไปพิจารณาตอนที่ไม่เกิดการบัลลมก็เหมือนกับการไปกินยาแก้หวัด ต, ตอนที่ไม่ได้เป็นหวัดกินไปแล้วเดี๋ยวก็แพ้ยาได้แต่ที่ให้พิจารณาก็พิจารณาเหมือนกับฉีดวัคซีนเข้าใจหมการพิจารณานี้เหมือนกับการเป็นฉีดวัคซีนเวลาเราไม่ต้องการติดเชื้อโรคไม่เป็นโรคเวลามีโรคระบาดเช่นโรคอหิวาเราก็ฉีดวัคซีนวัคซีนก็คือเอาอหิวาเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราแต่ เข้าไปในจำนวนน้อยเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นมาแต่ในการพิจารณาอสุภะนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานการมารมต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราฉีดมันเข้าไปมากๆเอาเชือ้อมันเข้าไปมากๆก็อาจจะเป็นติดโรคเป็นโรคอหิวาขึ้นมาได้เพราะมันร่างกายจะไม่มีกำลังที่จะต้านทานเพราะยังไ ม, ม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ เวลาเขาฉีดวัคซีนเขาถึงใส่เชื่อเข้าไปเพียงนิดเดียวเพื่อไปกระตุน้นฉะนั้นการพิจารณาสุภานีตก็เป็นเหมือนกับเป็นการกระตุน้นภูมิคุ้มกันคือความความเบื่อความไม่อยากจะเสพกามนี้ถ้าเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายมันก็จะเกิดความเบื่อไม่อยากจะเสพกามถ้ามันเบื่อแล้วมันก็พอก็กหยุดถ้ามันถึงจะขั้นจะอาเจียนก็แสดงว่ามันมันมากเกินไป แล้วก็ผิดไม่ได้ให้ดูร่างกายของเราให้ดูร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามด้วยคำถามจากคุณโพลซานาเมื่อวันก่อนให้คุณหมอที่ประจาอยู่ที่ทำงานโยมตรวจร่างกายเบื้องต้นให้พบความผิดปกติอาจเป็นโรคร้ายที่ถึงตายได้อย่างรวดเร็วให้รีบไปเช็กอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตอนที่ฟังหมอรู้สึกกลัวแต่ก็มีสติอยู่ หลังจากเดินออกมาความกลัวเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆความคิดต่างๆก็เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดพอรู้สึกตัวว่าคิดก็เห็นก็เห็นพร้อมความทุกข์ของจิตหยุดฟุ้งซ่านไม่ได้เลยจิตที่คิดมีแต่ทุกคิดต่างๆนานาจนต้องบอกกับตัวเองว่าเออจะคิดก็คิดไปพอดีมีงานต้องไปต้อนรับแขกความคิดก็เลยหยุดฟุ้งซ่านไป แต่พอแขกกลับไปก็เริ่มฟุ้งซ่านต่อโยมฝึกปฏิบัติมาหลายปีเน้นฝึกสติรู้สึกตัวสติปฐานสี่แต่ทำไมเมื่อเจอคำพูดของหมอซึ่งเป็นแค่คำสันนิษฐานจิตของโยมกับฟุ้งซ่านมากๆพระอาจารย์ปวดเมตตาแนะนำวิธีฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะคลุมครองจิตได้ก่อนต้องเจอเหตุการณ์จริงค่ะก็เพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนไง ไม่ได้พิจารณาตายแลักพิจารณาอนิจจ์ความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแต่สติระลึกรู้อย่างเดียวสติการระลึกรู้อย่างเดียวนี้เพียงแต่กดกิเลสตัณหาไว้เท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้พอมีอะไรไปกระตุ้นให้มันโผล่ขึ้นมามันก็จะโผล่ขึ้นมา เวลาไปได้พบหมอหมอบอกว่าจะเป็นโรคที่ร้ายรักษาไม่หายนี่กิเลสตัณหาความกลัวตายความอยากอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีวัคซีนฉีดไว้มันก็จะไม่มีปัญญามาระงับดับมันจึงต้องหมั่นพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆความแก่อยู่เรื่อยความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยจนไม่หลงไม่ลืมก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกัน พอไปเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณแบงค์ผมอยากรู้ว่าถ้าทำเสียนางกวัาหากหักควรทำอย่างไรดีครับคือผมจะลองเอากาวมาติดซ่อนแซมแล้วไหวแล้วนั่งสมาธิครับเป็นทางที่ดีหรือเปล่าครับผมไม่ได้ตั้งใจโดนนะครับมผมกลาบไหว ผมกราบไหว้ขอโทษแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกปวดขาข้างที่เตะลูกบอลไปโดนเสียนางกวาก่างโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วผมก็บอกว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกวิธีที่ผมทําดีไหมครับถ้าทํำเราสบายใจแล้วมันไม่เจ็บก็ทําไปคําถามจากคุณใกล้ลุงเผลอขับรถเหยียบกิ้งกือเพราะเบรกไม่ทันเราไม่บาปเพราะไม่ิไม่มีเจตนา แต่เราต้องรับผลนั้นหรือเปล่าคะการไปทําลายชีวิตของผู้อื่นก็เป็นการอาทําทํากรรมขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งก็จะต้องกลับมาหาเราคือเราฆ่าเขาเขาก็ต้องกลับมาฆ่าเราหรือเราต้องถูกเขาฆ่าหรือเราต้องไปเกิดเป็นเป็นสัตว์ที่เราฆ่าแล้วถูกคนอนื่นเขาฆ่าแล้วพระอริยะท่านมีเผลอเหยียบมดมแมลงกิ้งกือ หรือสัตว์อื่นๆตายโดยไม่มีเจตนาใหม่คะท่านวางใจอย่างไรคะท่านก็โปร่งไงก็ยอมรับกรรมไปอะไรจะเกิดก็เกิดคําถามจากคุณสุจินจิตไม่นิ่งแก้อย่างไรครับก็ทำให้มันนิ่งเลยคําถามจากคุณหนิงข้อแรกเมื่อปีที่แล้วโยมได้คบหากับผู้ชายคนหนึ่งจิตเดินทางถึงชาญสีได้ และเขามุ่งมั่นที่จะเดินทางให้ถึงที่สุดและเขาก็สอนโยมหลายอย่างจนเราครบกันเป็นแฟนและเมื่อเดือนก่อนโยมก็จับได้ว่าเขามีเมียและอยู่กับเมียที่บ้านไม่ได้แยกย้ายกันอย่างที่เขาบอกโยมจึงเสียใจกับเหตุการณ์และถามเขาว่าทาไมถึงทำแบบนี้ได้ทั้งๆ ท, ที่เราเดินทางทำด้วยกัน เขาบอกว่าคนที่จิตเดินทางถึงฌานสี่แล้วผิดสีเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครสีบริสุทธิ์ตลอดเวลาเขาบอกให้โยมเร่งทำความเพียรเพื่อให้เข้าถึงฌานสีได้ไวๆอันนี้จริงหรือไม่คะไม่จริงหรอก <c oughs> ได้ฌานสีมันก็ยังฆ่ากามอารมณ์ไม่ได้ฆ่ากามมติหาไม่ได้ถ้าอยากจะฆ่ากามมตนหาต้องวิจารณาอาสุภะเท่านั้น ใจนัสสุภาแล้วก็จะไม่ทำบาปไม่ประพฤติผิดประเวณีได้ข้อสองตอนนี้โยมตัดใจและเลือกเดินออกมาค่อนข้างเสียใจและพยายามปฏิบัติธ ร, รมกลางวันก็พยายามละอารมณ์ที่คอยเสียใจคอยฉุดดึงพยายามอย่างมากถ้าเครียดมากก็ไปทำสมถะโยมกำลังต่อสู้กับตนเองเดินออกมาเพื่อที่จะมีศีลสมบูรณ์ แต่ใจยังไม่ยอมออกจากเขาเลยพยายามหาอุบายให้แก่ใจโดยการคิดว่าเสียสละความสุขเล็กน้อยเหล่านี้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่เราเกิดมาชาตินี้แล้วได้เป็นคนเราควรที่จะเดินทางตามพระพุทธองค์ให้ถึงที่สุดโยมทําถูกแล้วใช่หรือไม่คะยังขาดอีกอย่างคือไม่พิจารณาปัญญาไม่พิจารณาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน เช่นความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขามันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ควรที่จะไปอยากให้มันกลับคืนขึ้นมาอีกไม่ต้องไปเสียใจถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> มีได้มีเสียมีมามีไปมีเกิดมีดับมันก็จะไม่เสียใจและถ้าเราไม่ต้องมีเพื่อนเดินทางทามเราเดินทางคนเดียว เราจะต้องมีสักวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวเราจะหาข้อไหนมาคิดมาสอนจิตใจเราดีคะก็พยายามทาใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาใจสงบแล้วจะไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจะมีความสุขอยู่ในตัวของตนเองโดยไม่ต้องมีผู้อื่นมาให้ความสุขมีใครอยากจะถามอีกไหมในที่นี้มาสการหลวงพ่ออีกครั้งค่ะพอดี ถ้าเรามีแฟนเป็นชาต่างชาติแล้วเขาป่วยอยู่ป่วยอยู่ถ้าเราจะคือจะละทางโลกไปเลยเราจะเป็นบาปกับเราไหมคะเพราะว่าเขาญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยเขาก็มีเราคนเดียวเาคือเขามาปากหลักอยู่ที่เนี่ยค่ะหลวงพ่อพระอาจารย์คะช่วยชี้แนวทางให้ลูกด้วย okay, คือกได้คือค่ะ<า>คือการปล่อยเขาทิ้งเขาไปนี้มันไม่บาปหรอกว่เาเราไม่ได้ไปทาร้ายเขา ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไปลักทรัพย์ของเขาไม่ได้ประพฤติผิดวินิจประเพณีไม่ได้ไปโกหกหลองลวงเขามันก็ไม่บาปแต่มันเป็นความไร้ความเมตตาเท่านั้นเองมันมันเหมือนมั น, ม, น, ม, นมันจะผิดในใจเราหรือเปล่าคะหลวงพ่อคือถ้าเขาเขาป่วยอยู่เขาโลผ่าตัดค่ะได้ผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่หายพอผ่าเสร็จเพลหายก็บวมขึ้นมาเลือดก็ไหลออกมาเอยอค่ะก็ เวลาเวลาสุขก็ทำไมอยู่ด้วยกันได้เวลาทุกข์ทำไมอยู่กับเขาไม่ได้ก็ขอขอพระคุณพระอาจารย์ถ้าเขาหายแล้วลูกถึงจะถึงจะได้ตั ด, ต, ดตัดทางนี้ได้ค่ะก็อยู่ทาาาย์ก็อยู่ที่ว่าเราอยู่เรามีสัญญากับเขาไว้อย่างไรว่าจะอยู่ร่วมกันไปจนวันตายหรือว่าจะหรืว่าคือ ไม่ได้นิอวดนะคะทั้งพระอาจารย์เพราะว่าที่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมคือวุ่นวายคือเขามีทรัพย์สมบัติเยอะค่ะเขามีเป็นเจ้าของคนโดเราก็ต้องดูแลมีคนโดให้เช่าที่จอมเทียนค่ะแต่ว่ามันเบื่อหน่ายนะคะมันปัญหาเยอะยิ่งมีเยอะยิ่งปัญหาเยอะตัวเขาก็ป่วยด้วยก็เลยวุ่นวายค่ะคือถ้าเรา อ, อยู่<อ> ก, กับใครเวลาเราจะเลิกกับเขาเราก็ต้องเจราจากันทำสัญญาเลิกสัญญาเปลี่ยนสัญญากัน เพราะว่าเวลาอยู่ร่วมกันนี้ก็มีความเข้าใจว่าจะต้องอยู่ร่วมกันไปเรื่อย เ, อยเมื่อถึงเวลาที่จะไม่อยู่ร่วมกันก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องถ้าเขายินดีให้เราไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะถือว่าเรามาโกหกหลอกลวงเขาก็ได้หรือว่ามาตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาพอเราไม่สามารถตักตวงประโยชน์จากเขาได้ เราก็จะทิ้งเขาไปไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อคือเขาโอนพิเนกรรมให้หมดแล้วแต่ว่าไม่อยากได้เองค่ะเขาโอนมาเป็นชื่อหมดแล้วก็ทําให้ทนายแต่ว่าเบื่อไม่อยากได้ไม่อยากอะไรทั้งสิ้นนะค่ะคือไม่อยากได้ไม่อยากไม่อยากไม่อยากวนวิญญอยู่ตรงนี้อีกแล้วอันแล้วเขาอยากให้เราอยู่หรือเปล่าะเขาอยากเขาอยากให้เราอยู่ดูแลเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่มีใครค่ะที่ที่เมืองไทย ก็แสดงว่าเขาก็ฝากชีวิตไว้กับเราแล้วนี่แล้วเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไงแต่หนูเพิ่งมาปฏิบททัติธรรมแล้วคือมันมีความสุขค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็อยากมันก็มีความสุขปฏิบัติธรรมไปกับดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ดูมันก็ทําได้แม่จะไีปัญหาตรงไหนคือมันวุ่นวายเวลาคนดูซ่อมนั่นซ่อมนี่มีปัญหาค่ะทางมันทําให้ไม่มีความสงบเลยพระอาจารย์ก็ไม่รู้แหละจะให้ทํำยังไงเรา ต้องเลือกทางในทางหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็ต้องมันต้องมีมันมีอะไรมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาว่าทำแล้วมันมันถูกก็ไม่ถูกตอนที่เราจะทิ้งมาอย่างนี้เกิดจะทิ้งก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าทิ้งได้กลัวเดียวก็จะลองคุยกับเขาว่าจะลอง ลองลองไปค่ะลองออกจากตรงนี้ไปแต่ถ้าถ้าหนูมีความสุขมากๆหนูคงจะไม่กลับมาพูดกับเขาเกิดถ้าเรามองถึงเขา อ, อกเขา อ, อกเรามั่งถ้าเกิดเราเป็นเขาแล้ว เ, เขาทิ้งเรา่านี้เราจะรู้สึกอย่างไรแต่หนูบอกหนูไปทางที่ดีค่ะหนูบอกอันนั้นเป็นเหตุผลอ้างไปเท่านั้นเองแต่เหตุจริงๆก็คือไม่อยากที่จะมาดูแลรักษาเขาใช่มากกว่า แต่มถ้าคุณเป็นเขาแล้วเขาทิ้งคุณตอนนี้คุณเจ็บไายได้ป่วยอย่างนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรเขาอ้างว่าไว้อยู่กับคุณวุ่นวายเลือก็ตอนนี้ไปหาเมียใหม่ดีกว่า <S <S ใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ร่วมกันมามันก็ต้องยอมรับสุขทุกข์ร่วมกันไปจนกว่าจะหมดอพันธะต่อกันถ้ายังไม่ยังไม่หมดพันธะก็ต้องก็ต้องอยู่กันไปต่อไป ขอบคุณมากค่ะกลับน้บัปการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามสักนิดนะคะเคอเมื่อม่นั่งสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเกิดอาการแขนสัน่นมือสั่นก็พยายามพุทโธแล้วแต่ก็ยังมีอาการสั่นอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะคะก็ขอเน้นขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยแนะนําแก้ไข สันตั้งแต่เริ่มต้นและเริ่มมาสั่นตอนที่หลังจากนั่งไปสักระยะหนึ่งลหลังจากที่นั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ขณะที่จิตสงบแล้วเกิดบังคับไม่ได้เพราะว่าสั่นไปเองคือสติเรามันมั น, มนอ่อนลงไปพอสติอ่อนขึ้นมามันก็ไม่สามารถควบคุมจิตจิตนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มือไม้สั่น ถึงแมค้คนคิดว่าสงบแต่มันยังไม่สงบจริงถ้ามันสงบจริงแล้วมันจะไม่สั่นต้องฝึกสติให้มากขึ้น ค, คุณอาจจะคิดว่าสงบแล้วก็เลยก็เลยปล่อยสติไปไม่ควบคุมจิตพอไม่ควบคุมจิตมันก็เลยไปทําให้มือไม้สั่นขึ้นมาต้องควบคุมจิตต่อไปต้องภาวนาต่อไปถ้ามันยังสั่นอยู่ก็ต้องภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะ